ผมวางปากกาที่กำลังขีดเขียนลงบนโต๊ะแล้วก็ยกหูโทรศัพท์ที่กริ่งดังขึ้นผมทายออกว่าผู้ที่พูดเป็นใครเพราะว่าเวลานั้นเป็นเวลาสี่ทุ่มเศษแล้วโทรศัพท์เกี่ยวกับกิจการทางโรงพิมพ์ก็ไม่มีแน่นอนทั้งเพื่อนฝูงอื่นๆทั่วไปก็ไม่เคยมีนอกจากคนเดียวคือเพื่อนพิเศษของผมเท่านั้นคุณเย็นหรอคะเสียงถามนำผมมาเลยครับเย็นของคุณรับสายครับผมตอบแล้วก็หัวเราะไปตามสาย คิดว่าไม่อยู่ก็เพราะว่าเมื่อตอนค่ำเนี่ยโทรมาแล้วแต่ว่าเด็กทางนู้นบอกมาว่าคุณเย็นไม่อยู่อ๋อจริงครับตอนนั้นผมยังไปธุระอยู่แล้วก็เพิ่งจะกลับมาแต่ห่วงคุณที่สุดก็เป็นจริงคุณโทรมาไม่พบแต่ว่าอะไรอะไ ร, ะไรเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าแม้อยากจะโทรหาคุณแทบขาดใจแต่ผมก็ต้องทนคอยจนกว่าคุณจะติดต่อมาก่อนผมพ้อเธออย่างเย้าๆ้กันเล่นเพราะก็รู้ความจาเป็นกันอยู่แล้วว่า คุณสุนีรัตเท่านั้นจะกลิ่งมาหาผมก่อนได้ข้างเดียวทางผมไม่มีโอกาสจะกลิ่งไปหาเธอได้ด้วยไม่รู้เลขแล้วก็ตำบลที่อยู่ของเธอผมไอเงาะป่าตามฉายาที่เพื่อนๆตั้งให้อายุแก่เท่าแล้วเกิดมีเพื่อนพิเศษชนิดลึกลับอย่างนี้ขึ้นเพียงอย่างดีก็รู้จักแค่ชื่อเธอเท่านั้นอะไรๆ อ, อื่นก็ไม่รู้ทั้งสิน้นเพราะอะไรเหตุดังนี้จึงเกิดขึ้นกับผมจะเนื่องจากเวรกรรมหรืออะไรก็ยากจะพูด เมื่อพูดอะไรไม่ถูกก็จะอ้างเวรกรรมเข้าก่อนแรกเริ่มเดิมทีนั้นอยู่ๆผมก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนพิเศษคนนี้ขึ้นเฉยๆเธอขอร้องว่าอย่ารู้จักเธอเลยว่าเธอคือใครแต่ขอความกรุณาจากผมว่าขอเป็นเพื่อนพิเศษของผมเพราะเธอเป็นผู้หลงไหลในบทประพันธ์นว น, นิยายของผมแทบทุกเรื่อง เธอเป็นผู้มีกรรมที่จะรู้จักกับผมโดยเปิดเผยไม่ได้เพราะเธอเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาเป็นปีศาจโดยถูกกรดสาดหน้าจนเสียโฉมแม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่กล้าจะดูตัวเองในกระจกได้เลยหากด้วยความนิยมและคลั่งไคล้ในบทประพันธ์ของผมเธอจึงยึดเอาการอ่านเป็นประจำฆ่าเวลาให้หมดไปวันวันหนึง่งและจะด้วยเหตุใดก็ตามเธอก็อดจะบอกกับผมไม่ได้ว่าเธอบูชาผมและขอให้ผมกรุณาแด่มนุษย์ผู้มีกรรมอย่างเธอด้วย ขอบารมีในถ้อยคำที่เป็นเสียงของผมจริงๆได้พูดคุยกับเธอพอเป็นยาทิพย์ชโลมใจผู้ยากให้พอทนต่อสู้ชะตากรรมตัวเองไปจนกว่าจะสิ้นลมผมพอจะกรุณาเธอได้หรือไม่คุณที่เคารพผมเป็นมนุษย์ใจโหดมาจากขุมนรกไหนเล่าจะกล้าปฏิเสธคำขอร้องนั้นนอกจากจะเห็นใจเธอแล้วตัวผมเองก็เจียมตนเจียมใจบอกว่าตัวผมเนี่ยมีนามว่าในเย็นแต่เพื่อนสนิทเรียกผมว่าไอ้เงาะป่า ก็เพราะว่ารูปร่างดำราวกับปืนเข้าแบบหัวอีกหน้ากล้อทั้งมีอายุแก่เท่าหมดราคาขนาดไม่อยากดูหน้าตนเองในกระจกเหมือนกันแต่บังเอิญเทวดาปโปรดให้ผมเกิดเขียนหนังสือดีจึงได้รอดตัวมีเงินมีทองเลี้ยงชีวิตมาตลอดจนมีชื่อเสียงพอเป็นที่ชื่นใจกับตัวเองความดีเด่นของมนุษย์ที่ต้องแฝงกายอยู่ในมุมมืดจะอดชมที่ใดเมื่อไรนั้นก็เทียบเท่ากับประหารตัวเอง โดยร่างกายนั้นแหละที่จะทำลายความตั้งมั่นของผู้อ่านให้หมดความนิยมชมชอบลงจึงต้องหลบกายประคองฝ า, ฝากฝีไม้ลายมือในถ้อยคำไว้กับคนทั่วๆไปจนกว่าจะสิ้นลมปรานเท่านั้นตามวาจาของคนรูปชั่วเมื่อเป็นดังคำนี้แล้วทำไมล่ะครับผมจะเป็นเพื่อนพิเศษกับเธอผู้อ้างว่าหน้าตาน่าเกลียดไม่ได้หากแต่ผมยับยั้งการบอกเล่ากับเธอว่าผมเองก็มีหน้าตาร่างกายชั่วช้า เป็นแต่บอกรับไปเท่านั้นว่ายอมเป็นเพื่อนพิเศษกับเธอตลอดชีวิตนี่แหละครับคุณที่รักเริ่มที่มาของผมและคุณสุนีรัตเริ่มการโทรมาหาผมทุกคราวก็เป็นไปในเรื่องของการถามทุกสุขซึ่งกันและกันแล้วก็ระบายความคิดถึงของเธอที่มีต่อผมด้วยถ้อยคาของคนมีกรรมแล้วก็จบการสนทนาอย่างเห็นอกเห็นใจด้วยกันมันก็รู้สึกชุ่มชื่นอย่างแปลกประหลาดและมหาสาร แต่ว่าทางเธอจะมีสุขเพียงใดผมก็หารู้ความจริงไม่นอกจากได้ยินจากปากของเธอทางโทรศัพท์เท่านั้นมันก็เป็นกุศลกิจอย่างใหม่ที่สบายใจปร่งใจปิติใจนักมันเป็นเรื่องของคนแก่ครับเป็นคนแก่ชนิดหน้าตาร่างกายไม่เหมาะแก่การสังคมแต่เมื่อมาได้เพื่อนพิเศษชนิดบูชาผมและทั้งขอให้ผมช่วยชูชื่นเธอเสมือนช่วยชุบชีวิตเธอให้ยืนนานอริจจาเอ้ย ตัวผมมองกระจกแล้วก็ใจหายคนอย่างผมไม่สมควรจะมีค่าราคาอะไรในทํานองนี้แก่ใครความต้องการก็เพียงแต่ขอเป็นปีศาจแอบแฝงทำความดีทำความสุขใจให้กับคนทั่วไปโดยไม่ต้องมีใครรู้จักในตัวของผมดังกับปราดท่านว่าคนดีนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมชาติแต่ร่างกายนี่สิมันเป็นมารร้ายของสังคมไม่เหมาะแก่การอบอุ่นใจหรือสนิทเสน่หาแก่สังคม ครั้นมาเกิดกับเพื่อนพิเศษอย่างคุณสุนียรัตน์ขึ้นผมก็นับถือบุญกุศลนนะักไอ้แก่รูปชั่วเอ้ยมีชีวิตอยู่อย่างเดียวดายเพราะคู่ชีวิตได้นอกใจไปและเลิกร้างกันไปโดยฝ่ายผมก็ยินดีแยกทางกับเขาเพราะเห็นใจเขาทั้งยังขอบใจเขาเส อ, อีกที่สู้อุตส่าห์ทนอยู่ร่วมกับมนุษย์รูปชั่วกาลีมานานพอสมควรผมไม่โกรธเขาเลยเพียงแต่แอบร้องไห้คนเดียวสงสารตัวเองอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตัดใจได้จนบัดนี้ คำว่าขวัญใจของคนยากจงมีสุขเถิดคำนี้เป็นคำของสุนีรัตน์ที่กล่าวกับผมทุกคราวเมื่อเลิกสนทนากันทางโทรศัพท์ผมเองถึงกับสะท้อนใจสงสารเธอที่สุดเธอเอ๋ยฉันน่ะยิ่งกว่าเธอนักเธอว่าเธอหน้าตาคล้ายผีพริธ์น้ำกรดที่ทำให้เป็นแบบนั้นแต่ว่าฉันนี่สิไม่มีใครมาทาอะไรให้รูปบัชั่วของมันเองในเนื้อหาจะไปโทษใครท่านที่รัก ผมไม่เคยคิดว่ามนุษย์ที่มีกรรมถึงที่สุดอย่างสุนีรัตและผมนี่จะมีอันเป็นไปได้อย่างที่นักปราชท์มากท่านเคยพูดว่าจะเอาจริงอะไรแก่โลกาและความจริงของโลกาก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองกรีงโทรศัพท์ที่คุณสุนีรัตเคยโทรมาหาผมได้ขาดหายไปเฉยๆหลายวันจิตใจผมก็เลยวุ่นวายจะเขียนหนังสือก็ไม่ได้กลุ้มใจอยู่ผู้เดียวโดยไม่มีทางจะแก้ไขประการใดดังที่ได้เรียนไวแล้วว่า ผมไม่มีโอกาสจะกลิ่งโทรไปหาเธอได้ผมต้องเป็นฝ่ายคอยให้เธอโทรมาหาผมอยู่ข้างเดียวจนวันหนึ่งกลิ่งเกิดดังขึ้นผมจึงรีบยกหูขึ้นฟังอย่างตื่นเต้นและร้องถามไปตามเคยว่าสุนีหรือเปล่าครับผมถามสุนีผมคิดว่าวาสนาผมจะหมดแค่ที่โทรศัพท์ของคุณขาดหายไปซะแล้วผมพูดไปด้วยหัวใจจริงมิใช่เล่นสำนวนทาเป็นหนุ่มสาว ทั้งน้นยังตอบผมไม่ได้อึกอักอยู่หน่อยแล้วก็บอกว่ามีการขัดข้องบางอย่างที่ติดต่อมาไม่ได้แล้วต่อไปก็พูดเอ่อยๆอว่าคิดถึงผมแล้วก็ห่วงผมต่างๆหนาๆให้ตายสิท่านที่เคารพถ้าพูดเท็จให้มีอันเป็นไปทีเดียวเสียงที่พูดมานั้นไม่ใช่ของสุนีรัตน์กลายเป็นเสียงผู้หญิงอีกคนหนึ่งต่างหาก แต่ว่าพยายามพูดเข้ามาในทำนองของสุนีกับผมผมนิ่งเก็บไว้ในใจไม่ทวงถามออกไป ท, ท, ทั้งที่รู้ว่าปลอมแปลงมาคิดว่านิ่งดีกว่าบังทีเธออาจจะป่วยไขย้เสียงนี้จึงผิดไปต่อมาในวันหลังการโทรก็เป็นไปตามเคยและก็เป็นคนปลอมตามเคยผมจะทำอย่างไรดีผมตั้งปัญหาถามตัวเองพวกผู้หญิงเห็นว่าผมนี่เป็นไอ้บ้ากระนั้นหรือจึงมากระซ้าผมเล่นเพื่อต้องการอะไร เทพเจ้าเป็นพยานกับผมด้วยผมไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มขึ้นมาก่อนผมไม่ใช่ไอ้บ้าที่เห่อตัวเองต้องการให้ใครต่อใครมาห้อมล้อมไอ้ชายรูปช่วยอย่างผมนี้เป็นคนรู้ตัวเองดีเท่าที่ทำไปก็โดยเห็นใจผู้ที่มาขอเป็นเพื่อนพิเศษคบกันทางใจไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแม้แต่การพบตัวกันหน้าตาจะเป็นรูปใดก็ช่างเราครบกันด้วยใจแต่ทาไมมาเล่นกับผมแบบนี้ จะว่าผมเป็นคนอวดตัวว่ามีความสำคัญยิ่งอะไรจะได้พากันล้อผมเล่นให้มีความสนุกสะสมกับที่หลงตัวเองก็เปล่าทั้งสิน้นนับแต่ภรรยาได้แยกทางไปแล้วผมไม่เคยมีความคิดประเภทนี้อีกเลยผมไม่ได้สายตัวไม่ได้สายใจไปริขึ้นอีกโทรศัพท์ได้มีมาในอีกคืนรุ่งขึ้นผมเรียกให้เด็กคนใช้มาตอบสายแทนและสั่งว่าถ้าพูดมาจากสุนีให้ตอบไปว่าไม่อยู่และเด็กก็ได้ตอบไปตามนั้นหลายคราว ทีส้สางเทวดาเห็นใจผมด้วยผมไม่ใช่คนใจโหดตัดความสัมพันธ์ไปได้อย่างหิ้มหิยมกับผู้ที่เคยร้องขอผมยินดีเป็นเพื่อนใจของเธอแต่ทำไมเธอทำผมก่อนปล่อยคนอื่นมาล้อเลียนผมฉะนั้นผมก็ตัดใจไม่ตอบโทรศัพท์ของเธอทุกคราวไปในที่สุดทางเธอก็หยุดหายไปเช่นกันผมจึงนั่งทำงานอยู่เงียบๆคนเดียวตามเคยไม่มีใครเข้ามาในห้องถ้าผมไม่กดกริ่งเรียก ทั้งทงที่ผมทำตัวขรึมนิ่งทำงานอย่างจริงจังแต่เปล่ากับรับคุณที่รักใจผมมันเศร้าแล้วก็เปล่าเปลี่ยวที่รู้สึกว่าได้ขาดเพื่อนพิเศษไปซะแล้วมีความอะไรอยู่ยิ่งนักเหงาใจหนักเข้าจึงเปิดวิทยุภาคดึกฟังเพลงทุกคืนมือก็ทำงานไปหูก็ฟังเพลงไปเพื่อให้ได้รู้ว่ายังพอมีเพื่อนก็คือวิทยุ แต่ว่าวิทยุเจ้ากรรมเกิดหยุดขึ้นเฉยๆโดยไม่บอกว่ามีเหตุขัดข้องประการใดผมก็ยังคงนั่งทำงานไปเรื่อยๆขอโทษคุณผู้ฟังที่หยุดกลางทันเพราะว่ามีข่าวพิเศษนะคะเสียงจากโคศกหญิงพูดออกมาคุณผู้ฟังทั้งหลายถ้าหากว่าท่านเคยมีอะไรอยู่เสมอแต่ว่าสิ่งนั้นมาหายไปให้โทรศัพท์ถามไปที่หมายเลข222 22 22 22. ผมฟังแล้วสะดุ้งหยุดทางานนั่งคิดถึงถ้อยคาแปลกประหลาดของโฆศกนั้น อะไรกันเนี่ยเป็นโคตรลับนัดหมายอะไรกันเล่าผมนั่งตัวแข็งเมื่อโคศกได้พูดซ้ำอีกผมงงงันที่สุดแต่แล้วเพลงก็ดังต่อไปผมย้อนคิดถึงเลขที่โทรศัพท์อย่างบ้าบอเลขสองตัวเดียวพืดไปหมดคคอนั้นผมก็เลยทำงานไม่ได้ความคิดมันวาวุ่นก็เลยเข้านอนเลยรุ่งขึ้นผมเทียวสอบถามนักวิทยุภาคดึกว่าได้ยินคาแปลกนั้นหรือไม่แต่กลับไม่มีใครได้ยินอย่างผมเลยผมยิ่งงงงันกันไปใหญ่ กลับมาบ้านนั่งจ้องเครื่องโทรศัพท์ตัดสินใจว่าผมต้องหมุนโทรเลขไปตามนั้นดูสักทีทั้งๆ ท, ที่ใจก็ยังหวนอยู่ว่ากลัวจะไม่มีบ้านใครตามเลขนั้นแต่มันก็ประหลาดนักพอหมุนเลขไปตามนั้นก็มีเสียงแจวถามมาเลยทั้งเรียนสำนวนตามที่คุณสุนีเคยพูดกับผมถามผมในคำต้นอย่างดีอกดีใจที่ผมได้โทรไปและเสียงที่พูดอยู่นั้นก็เป็นเสียงปลอมตามเคยกรุณาเลิกล้อเรียนผมเถอะครับ และโปรดทราบซะด้วยว่าผมไม่ใช่คนผิดผมตอบออกไปอย่างโกรธแต่พยายามใช้คำไม่ให้รุนแรงเสียงทางโน้อนอึกอักอยู่สองสามอึดใจมันมีเรื่องค่ะคุณเย็นคุณฟังคำอธิบายก่อนได้หรือไม่คะคำถามอยากตะกุกตะกักอ่ะเชิญเลยครับผมตอบสั้นๆแล้วนั่งคอยฟังคำอธิบายของเธอดิฉันคือคนสนิทของคุณสุนิยรัตน์ค่ะที่ดิฉันพูดปลอมแปลงมายังคุณนั้น มันเป็นคําสั่งของคุณสุนีรัตน์ค่ะผู้หญิงคนนั้นพูดตรงไปตรงมาไม่พูดอย่างสํานวนปลอมอีกอ๋อผมตอบรับอ่ะตอ่อเถอะครับผมว่าเวลานั้นคุณสุนีรัตน์ป่วยมากแต่ว่าห่วงคุณที่สุดก็เลยให้ดิฉันพูดปลอมมาโดยท่านจัดสํานวนให้พูดแบบนั้นเพื่ออะไระครับผมถามก็ไม่มีอะไรค่ะกลัวคุณจะสงสัยแล้วก็ว้าเวก็เลยให้ดิฉันพูดแทนมาทั้งๆ ท, ท, ที่ก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ อย่างไรคุณก็ต้องรู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้คุณสุนีรัตได้สิ้นชีวิตไปแล้วดิฉันก็เลยต้องส่งข่าวมาให้ทราบเวลานี้สวดอยู่ที่บ้านวันที่8นี้จะบรรจุศพที่สุสานเทพสิรินยังไงนั้นดิฉันก็ต้องขอเรียนคุณไปบรรจุศพด้วยนะคะในวันที่8เวลา15นาฬิกาเสียใจไม่ด้วยอย่างลึกแล้วก็ขอแจ้งว่าดิฉันทาเป็นตัวปลอมแทนต่อไปอีกไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจผม ผมวางหูโทรศัพท์นั้นอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงอันนี้จังทุกขังแม่เพื่อนพิเศษของผมเธอได้หนีไปก่อนผมผมถึงแก่ฟุบศีรษะลงบนโต๊ะทำงานโลกได้ผันแปรไปอีกแล้วไม่แน่นอนตามเคยมนุษย์ที่เป็นเศษมนุษย์อย่างผมมันก็ยิ่งเป็นเศษผงลงไปอีกความเศร้าได้เข้าเกาะกินหัวใจผมอย่างหนักแต่ก่อนเคยให้ตัวเองแต่บัดนี้ได้เศร้าให้แก่เพื่อนพิเศษเพื่อนคู่ใจผู้ยากเอย กำใดเล่าจึงมาร่วมกันเป็นไปดังนี้อา น, นิจจาผมเนืรือจะพาร่างกายอันอับละลักนี้ไปบรรจุศพของเธอเธอจะได้หมดเกียดลงไปอีกผมขอส่งวิญญาณอยู่ทางนี้เถิดลาก่อนไม่เพื่อนยากเพื่อนพิเศษของผมสำหรับผมก็คงอีกไม่นานก็จะตามไปพอตอนสายผมอ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็ทราบข่าวการบรรจุศพของสุนีรัตน์เทิดสุขผมร้องไห้ออกมาที่โตทางาน เธอกับผมไม่เคยขาดการถามทุกสุขกันทุกวันแต่ว่าบัดนี้เธอมาจากไปซะแล้วอย่างไม่มีเวลากลับมาเอาเถิดผมผู้เพื่อนคู่ใจของคุณจะไม่ลืมคุณตลอดตายแม้จะจบฉากละครลงแล้วแต่ตัวละครยังจบลงไม่ได้ขอให้ความสัตย์จริงไว้แดกคุณอันเป็นสัจจะการงานของผมได้หยุดชะงักลงด้วยความเศร้าสลดแม้แต่เพียงรู้จักและก็คบค้ากันทางโทรศัพท์โดยไม่เคยพบปะกันเลย ยังมีความรุนแรงถึงปานนี้ผมนอนเฉยๆอยู่ที่เตียงเล็กๆติเตี้ยข้างโต๊ะทำงานเปิดวิทยุฟังแก้ทุกโศกหาวิธีต่างๆที่จะให้ใคลายเศร้าพอจะได้ทำงานต่อไปคุณเย็นฟังเพลงแล้วคิดถึงฉันบ้างนะคะนี่เป็นเสียงที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นเสียงแทรกแซงออกมาจากวิทยุคราวนี้ชัดเจนชัดแจง้งเรียกชื่อผมเลยเมื่อคราวก่อนผมยังคิดไม่ออกว่าเพราะอะไรวิทยุจึงพูดดังนั้น แต่คราวนี้ชัดแจ้งและตรงตัวผมทีเดียวผมผุดลุกขึ้นนั่งด้วยความตกใจเอ๊ะใครกันมาพูดในวิทยุแต่ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของซูนีนี่พอเพลงจบลงไปอีกเพลงก็มีเสียงย้ำมาอีกผมแทบจะเรียกเด็กคนใช้มาเป็นเพื่อนอยู่แล้วเสียใจเหลือเกินที่คุณตอบฉันไม่ได้เพื่อนพิเศษของคุณจะขอเยี่ยมคุณโดยข้างเดียวอย่างนี้อีกขอแทรกทางอากาศเขาได้เสมอจงอนุญาตฉันเถอะนะคะ ผมแทบขาดใจตายแต่กายปิดวิทยุและกดกริ่งเรียกเด็กเข้ามาเป็นเพื่อนอะไรกันเนี่ยคราวนี้ไม่ใช่ใครมาล้อเล่นเธอมาจริงเธอสามารถแทรกเข้ามาทางอากาศได้อย่างสบายผมกลัวจนพูดไม่ถูกผมทำงานที่บ้านไม่ได้แล้วผมกลัวจริงๆแม้จะมีรูปร่างเลวซามอยู่แล้วไม่น่าจะกลัวแต่ก็กลัวเลยขนเอางานไปทำตามหัวเมืองเช่าบังกะโลชายทะเลมีเด็กคนใช้ไปด้วยพอทาไปได้บ้างวิทยุ ไม่ยอมเอาไปด้วยครั้นทุกๆสิ่งเงียบไปผมก็กลับมาคิดเสียใจตนเองขึ้นมาว่านี่เหรอเนยเย็นผู้รักความมีสัจจะพูดไว้อย่างไรกับเธอเป็นมั่นเหมาะแต่กลับมารังเกียจและกลัวเธอรูปร่างว่าเลวแล้วใจยังเลวอีกหรอผมกําลังเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับโลกนี้อีกแล้วสุดท้ายผมเองก็ต้องละอายใจตัวเองกลับมาอยู่บ้านทํางานที่บ้านตามเคยและเปิดวิทยุคอยรับเสียงแทรกตามกระแสนคลื่นวิทยุของเธอ เพื่อนพิเศษเอ๋ยฉันไม่หนีแล้วทั้งชาตินี้